ภาวิสีข้อที่สภพาวิปัญญามีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้วลักษณะสำคัญที่เป็นพื้นฐานทางปัญญาของผู้บรรลุนิพพานคือการมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือเห็นตามเป็นจริงเริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้อารมณ์ทางอายตนะด้วยจิตใจที่มีท่าทีเป็นกลางและมีสติไม่หวั่นไหว ไม่ถูกชักจูงไปตามความชอบใจไม่ชอบใจสามารถตามดูรู้เห็นอารมณ์นั้นๆไปตามสภาวะของมันตั้งแต่ต้นจนตลอดสายไม่ถูกความติดพันความขล้องขัดคุณมัวหรือความกระทบกระแทกที่เนื่องจากอารมณ์นั้นฉุดรัง้งหรือสะดุดเอาไว้ให้เควยออกไปเสียก่อนทั้งนี้ต่างจากปุตชนที่เมื่อรับรู้อารมณ์ใดก็มักไปสะดุดอยู่ตรงจุด หรือแง่ที่กระทบความชอบใจไม่ชอบใจและเกาะเกี่ยวพัวพันธุ์อยู่ตรงนั้นสร้างความตริตรึกคิดปรุงแต่งพันพิสดารขึ้นตรงนั้นและถลายหรือเควออกไปจากทางแห่งความเป็นจริงเกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือรู้เห็นไปตามอํานาจกิเลสที่ปรุงแต่งไม่รู้เห็นตามความเป็นไปของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆ เช่นเรื่องราวมีสาระยางเดียวกันคนหนึ่งมาพูดโดยเสริมคำเยินยอผู้ฟังประกอบเข้าด้วยผู้ฟังนั้นเห็นคล้อยไปตามแต่อีกคนหนึ่งมาพูดโดยไม่เสริมแต่งเลยผู้ฟังเดียวกันนั้นกลับไม่เห็นชอบด้วยหรือข้อความอย่างเดียวกันคนที่ผู้ฟังรักใคร่ชอบใจนามาพูดผู้ฟังชมว่าถูกต้องเห็นดีเห็นงามไปตาม แต่คนที่ผู้ฟังเกลียดชังนำมาพูดผู้ฟังเห็นเป็นสิ่งผิดพลาดเสียหายไม่อาจยอมรับได้ดังนี้เป็นต้นลึกซึ้งลงไปอีกคือปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารรู้สามั ญ, ญลักษณะที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตารู้เท่าทันสมมุติปัญญัติไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรูปลักษ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลายและยอมรับความจริงทุกด้าน ไม่ใช่ติดอยู่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งความรู้เห็นตามที่มันเป็นหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงขั้นนี้จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นลทัทธิมองแง่าร้ายได้โดยสิ้นเชิงเช่นผู้ข่าถึงพุทธธรรมรู้ว่าขันห้ามิใช่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียว รู้ว่าความอยากยอมใจที่เกิดจากความนึกคิดของคนต่างหากเป็นกามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาชื่อว่ากามไม่อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกยอมตั้งอยู่ตามสภาพของมันอย่างนั้นเองดังนั้นทิรชนทั้งหลายจึงเปลืองออกไปเพียงความติดใครในอารมณ์เหล่านั้น ผู้ที่จะตรัสรู้ได้ต้องเข้าใจทั้งส่วนดีหรือส่วนที่น่าชื่นชมคืออาัศาธะส่วนเสียหรือส่วนที่เป็นโทษคืออาทินกและทางปลอดพ้นคือนิสรณะของกามของโลกของขันห้ามองเห็นส่วนเสียว่าเป็นส่วนเสียมองเห็นทางปลอดพ้นว่าเป็นทางปลอดพ้นแต่ที่ละกาม หายติดใจในโลกยึดติดขันห้าเสียก็เพราะมองเห็นทางปลอดพ้นเป็นอิสระคือนิสรณะซึ่งจะทำให้อยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อส่วนดีและส่วนเสียเหล่านั้นอีกทั้งเป็นการอยู่ดีมีสุขที่ประเสริฐกว่าประนีตกว่าอีกด้วยความรู้เท่าทันสมมุติบัญญัตินั้นรวมไปถึงการรู้เข้าใจวิถีทางแห่งภาษา ที่เรียกว่าโวหารโลกรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดติดในสมมติของภาษาดังพุทธพจน์ว่าภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วยอมไม่กล่าวเข้าข้างกับใครไม่กล่าวทุ่มเทียงกับใครอันใดเขาพูดกันในโลกก็กล่าวไปตามนั้นไม่ยึดถือภิกษุผู้เป็นอรหันตะขีนาศ จะพึงกล่าวว่าฉันพูดดังนี้ก็ดีเขาพูดกับฉันดังนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาดรู้ถ้อยคำที่เขาพูดกันในโลกก็พึงกล่าวไปตามโมหานเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับโลกหรอกโลกต่างหากขัดแย้งกับเราธรรมวาทีคือผู้กล่าวทำผู้พูดตามทำ ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสิ่งใดบันดิตในโลกสมมุติกันว่าไม่มีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีสิ่งใดบันดิตในโลกสมมติกันว่ามีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีเหล่านี้เป็นโลกาสมัญญาเป็นโลกาเนรุติเป็นโลกะวิหารเป็นโลกบัญญัติซึ่งตถาคตใช้พูดแต่ไม่ยึดถือ เมื่อเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเป็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยการและการจึงมีขึ้นก็เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเรียกว่าเกิดมีโล ก, กัศน์และชีวัศน์ที่ถูกต้องความยึดถือทิฏฐิทฤษฎีทั้งหลายในทางอภิป ร, รัชญารวมทั้งความสงสัยในปัญหาต่างๆที่เรียกว่าอัพยกตะปัญหา คือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรณเช่นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นก็ปล่อยหายหมดไปด้วยพร้อมกันอย่างเป็นไปเองดังบาลีว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาจางหายดับไปไม่เหลือความเห็นขัดแย้งกันไปต่างๆการถือดื้อดึงความเห็นที่พล่านสับสนอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามสังขารเป็นชไหนะ สังขารเหล่านี้ของใครสังขารก็อย่างหนึ่งเจ้าของสังขารก็อย่างหนึ่งตัวชีวะกับสบรีระเป็นอันเดียวกันตัวชีวะก็อย่างหนึ่งสรีระก็อีกอย่างหนึ่งความเห็นเหล่านั้นทั้งปวงยอมถูกละหมดไปและเมื่อภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยส า, าวกผู้ดได้เรียนสดับแล้ว ไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่พระองค์ไม่ทรงพยากรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะทิฏฐิดับไปอริยาสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วจึงไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่เราไม่พยากรอุทุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทิฏฐิไม่รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทิฏฐิไม่รู้ชัดการดับทิฏฐิ ไม่รู้ชาตปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ความดับแห่งทิฏฐิทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขาเขายอมไม่พ้นจากชาติชราโมรณะโซกปริเทวะทุกโทมนต์อุปายาตลักษณะทางปัญญาอีกอย่างหนึ่งของผู้เข้าถึงสัจธรรมแล้วคือไม่ต้องเชื่อ ไม่ต้องมีศรัทธาหรือไม่ต้องอาศัยศรัทธาเรียกตามคําบาลีสั้นๆว่าอสัทธะลักษณะ น, นี้ต่างกันอย่างตรงข้ามกับความไม่เชื่อหรือความไม่มีศรัทธาตามความหมายสามัญขั้นตน้นซึ่งหมายถึงไม่รู้ไม่เห็นจึงไม่เชื่อหรือไม่เลื่อมใสในตัวผู้พูดหรือดึงดื้อถือรันเป็นตน้นจึงไม่ยอมเชื่อ แต่ในที่นี้ไม่ต้องเชื่อเพราะรู้เห็นสิ่งนั้นนั้นแจ้งประจักษ์กับตนเองแล้วรู้เห็นเองแล้วไม่ต้องรู้เห็นผ่านคนอื่นไม่ต้องอาศัยความรู้ของคนอื่นศรัทธาคือการยอมขึ้นต่อความรู้ของผู้อื่นในเมื่อยังไม่รู้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองในเมื่อรู้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นจะต้องไปเชื่อใครอีกหรือจะต้องไปเอาใครมาบอกให้อีก เรียกว่าเป็นขั้นที่ยิ่งกว่าเชื่อหรือเลยเชื่อไปแล้วอยู่เหนือความเชื่อดังที่ท่านอธิบายว่าเกี่ยวกับธรรมะที่รู้แน่อยู่ด้วยต น, นเองประจักษ์กับต น, น, นเองเธอไม่เชื่อต่อใครๆอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพรามเทวดามารหรือพรมคือไม่เชื่อต่อใครๆเกี่ยวกับธรรมะที่รู้แน่อยู่เองประจักษ์กับตัวเองว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงมิใช่เป็นตัวตนเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีและอื่นๆหรือที่พระสารีบุตรทูลพระพุทธเจ้าว่าในเรื่องนี้ข้าพระองค์มิใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาค เรื่องนี้ข่าพระองค์ทราบแล้วเห็นแล้วรู้ชัดแล้วทําให้ประจักแจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาจึงไม่มีความสงสัยไม่มีความคลางแคลงใจน่าสังเกตว่าในครั้งพุทธกาลคนคงสนใจใส่ใจเรื่องมหาบุรุษกันมากจึงมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกกล่าวถึงคํานี้หลายแห่ง นอกจากเรื่องมหาบุริะละสลนะักษณะคือลักษณะของมหาบุรุษที่พราหม์ทั้งหลายทํานายเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตามตำํตำราตําราที่สืบมาแต่โบราณของเขาแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือในแง่หลักธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จเที่ยวทรงสั่งสอนธรรมก็ทรงพกผู้ทูลถามเรื่องนี้ว่าบุคคลอย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็นมหาบุรุษแสดงว่ามหาบุรุษ ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปและยังมีการถกเถียงกันอยู่ขอยกตัวอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลถามว่าที่เรียกว่ามหาบุรุษมหาบุรุษดังนี้โดยเหตุผลแค่ไหนเพียงไรบุคคลจึงจะเป็นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตร เราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุด พ, ลลพ้นพเราหาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษไม่ตามพุทธะดำรัสที่ตรัสตอบนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ถือว่าพระอรหันต์คือท่านที่เป็นภาวิทธ์ทั้งสี่ด้านดังที่ได้พูดมาแล้วนั่นเองเป็นมหาบุรุษแต่เป็นการตรัสสั้น แบบสรุปหรือรวบรัดตัดเอาแต่จุดตัดสินสุดท้ายคือการที่จิตหลุดพ้นแล้วซึ่งก็คือได้พัฒนาจบภาวนาทั้งสี่จนเกิดปัญญาที่ทำให้จิตหลุดพ้นไปได้และก็หมายความว่าไม่ว่าบุคคลไหนจะเก่งกาจอย่างใดก็ตามถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์แล้วก็เป็นมหาบุรุษ จ, จริงยังไม่ได้ พูด ง, ง่ายว่าจะต้องขึ้นไปให้ถึงความมีอิสระภาพทางจิตปัญญาอย่างแท้จริงปัญญาต้องถึงขั้นทำให้จิตปลอดพ้นกิเลสร้ายทุกข์ได้เช่นว่ามีความคิดเป็นอิสระก็มีใจหมายความแค่ว่าคิดอย่างไรก็ได้อย่างใจปรารถนาไม่มีใครมากั้นมาห้ามหรือมาบีบบังคับอย่างไรได้ไม่ใช่เท่านั้นแต่ต้องไปใหถึงขั้นที่ว่าปัญญาทางานเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ใต้ความบวงการกำกับของตัวตนข้างในไม่ใช่คิดอะไรตามใจอยากแล้วแต่ตัญหามานะหรือทิฏฐิของตัวนั่นแหละจะมาชักจูงลากพาหรือบัญชาให้เป็นไปอย่างไรก็ตามความหมายของมหาบุรตรข้างต้นนี้ดังที่ว่าแล้วตรัสสั้นคงเป็นเพราะตรัสแกพระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระอัครส า, าวกที่เจนจบสูงสุดทางปัญญาแล้วจึงตรัสชี้ไปในตัวตัดสินสุดท้ายเลยแล้วก็ตรัสโยงต่อไปยังหลักสติปัฏฐานอย่างนี้ก็ได้แง่มองไปแบบสูงสุดเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไปซึ่งช่วยให้มองเห็นความหมายแบบขยายความสักหน่อยดูได้จากพระดำรัตในคราวที่ตรัสตอบแกอัครมหาเสนาบดี แห่งแคว้นวัชีเรื่องมีว่าคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวนารามในเขตพระนครราชรึกวสกาวรพรามมหา ม, มาตแห่งแคว้นมคตเข้าไปเฝ้ารันแล้วรามใหญ่นั้นทูลว่าตามหลักของพวกเขาถือว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยธรรมะ คือคุณสมบัติสี่อย่างได้แก่เป็นพหูสูตรรอบรู้เรื่องราวข่าวสารอย่างรู้อัตถะแยกแยะได้ว่าเป็นความหมายของอันไหนอันไหนเป็นผู้มีสติทรงจำรำลึกการที่ทำคำที่กล่าวแล้วแม้นานได้เป็นผู้มีทักษะไม่ปล่อยปลาเกียจตร้านในกิจกรณีที่เป็นเรื่องของชาวบ้านชาวเมือง และเป็นผู้มีปัญญาตรายตรองรู้จักหาวิธีดำเนินการสามารถทำสามารถจัดการให้เป็นไปเมื่อแสดงหลักของเขาแล้ววัศกรพราหมณ์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหลักที่เขากล่าวมานั้นพระองค์จะทรงเห็นชอบด้วยหรือจะทรงคัดค้านพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นชอบและก็ไม่ได้คัดค้าน พระองค์ทรงวางหลักว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณสมบัติสี่อย่างดังต่อไปนี้หนึ่งบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขแก่พระหูชนทำให้ประชาชนดำรงอยู่ในทางดำเนินแห่งอริยชนกล่าวคือความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม 2. บุคคลนั้นประสงค์จะคิดความคิดใดก็คิดความคิดนั้นไม่ประสงค์จะคิดความคิดใดก็ไม่คิดความคิดนั้นประสงค์จะดำริเรื่องใดก็ดำริเรื่องนั้นไม่ประสงค์จะดำริเรื่องใดก็ไม่ดำริตริเรื่องนั้นเป็นผู้ถึงความมีอำนาจเหนือจิต ในคลองแห่งความคิดทั้งหลาย 3. บุคคลนั้นเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเลยซึ่งชาญสีอันเป็นสภาวะแห่งอภิจิตที่เป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างประจักษ์เป็นปัจจุบัน 4. บุคคลนั้นเพราะอาสวะสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญารู้ตรงด้วยตนเองซึ่งเจโตวิมุตตคือภาวะพ้นเป็นอิสระแห่งจิตและปัญญาวิมุตตภาวะพ้นเป็นอิสระด้วยปัญญาอัรัรอาสวะเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพุทธพจน์ตรัสตอบแสดงความหมายของความเป็นมหาบุุษนี้มีหลายแห่งแต่พระทรงตอบให้เหมาะกับผู้ถาม และมากมายในคาถาเนื้อความจึงมักรวบรัดหรือไม่ก็ลึกลงไปในแง่ที่เน้นในที่นี้เห็นว่าประดํารัดแก่มหาอมาตข้างต้นนี้ทรงตอบแก่ผู้ถามซึ่งอยู่ในสถานะใหญ่กว้างยงไปถึงคนทั้งหลายได้ทั่วและเป็นความร้อยแก้วแยกเป็นข้อข้อกำหนดง่ายจึงยกมาแสดงเป็นหลักตัวอย่างถือว่าความเป็นภาวิสีด้าน ก็รวมอยู่ในคุณสมบัติสข้อนี้หรือว่าคุณสมบัติของมหาบุรุรสีประการนี้เป็นการสำแดงนัยยะอีกแนวหนึ่งของภาวิสีนั้นโดยยกเด่นขึ้นมาในส่วนที่แสดงถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่อยังพิเศษที่ตระหนักได้ว่าเป็นสิ่งอันยากสำหรับคนทั่วไปจะทำได้ คุณสมบัติข้อแรกของมหาบุรุษบอกจุดเน้นแห่งคุณของบุคคลผู้บรรลุนิพพานที่ว่าจบกิจแห่งโรงมจาริยาไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพื่อตอนเองอีกต่อไปแม้แต่การที่จะต้องศึกษาเพื่อฝึกตนเองต่อแต่นี้จึงมุ่งบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนบรรจบกับจุดหมายแห่งการดาเนินชีวิตของพระอรหันต์และการมีอยู่ของโรงมจริยะ คือพระพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งปรากฏในพุทธดำรัตอันตรัสเน้นอยู่เสมอที่ว่าพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะกล่าวคือเพื่อประโยชน์เกือก้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขของพระหูชนเพื่อเกื้อการุนแก่ชาวโลก เมื่อบรญยายมาถึงจุดบรรจบนี้ภาวะของผู้บรรลุนิพพานก็บอกด้วยถึงความบรรจบแห่งความสุขของบุคคลที่จะเป็นไปเพื่อความสุขของมวลชนทั้งโลกคุณสมบัติของผู้บรรลุนิพพานไม่ว่าจะพูดพันน า, นานในลักษณะใดตลอดจนที่จัดเป็นพาวิสีดังที่อธิบายมานั้นรวมแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานของธรรมะสามประการมีธรรมะสามอย่างนั้นเป็นหลักเป็นแกน คือปัญญาที่เรียกจำเพาะว่าวิชาความหลุดพ้นเป็นอิสระที่เรียกว่าวิมุตติและกาุณาที่เป็นพลังแผ่ปริชาญาณออกไปทำให้ผู้อื่นพลอยได้วิชาและถึงวิมุติด้วยถ้าเปรียบปุุชนเหมือนคนถูกมัดวิชา ก็เป็นมีดตัดเครื่องผูกขาดออกไปวิมุตติหรือวิมุตติก็คือการหลุดพ้นออกไปจากเครื่องผูกมัดเป็นอิสระเสรีกรุณาก็แสดงออกมาว่าเมื่อหายเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองแล้วมองกว้างออกไปเห็นคนอื่นๆถูกมัดอยู่ตัวเองไม่มีอะไรต้องวุ่นพะวงอีกแล้วก็เอาแต่เที่ยวแก้มัดคนอื่นต่อไป ในทางหลักวิชาถือว่าวิชาเป็นมัคส่วนวิมุตติเรียกคร่าวๆ ว, ว่าเป็นผลแต่ตามตำราท่านแยกวิมุตติหรือวิมุติละเอียดออกไปเป็นสองตอนคือเป็นทั้งมัคและทั้งผลกิริยาที่หลุดหรือพ้นออกไปหรือขณะที่หลุดพ้นท่านว่าเป็นมัคภาวะที่เมื่อหลุดพ้นออกไปแล้ว มีความเป็นอิสระเสรีอยู่เป็นปกติเรียกว่าเป็นผลลำพังการบรรลุนิพพานยอมเสร็จสิ้นเพียงแค่วิชาละวิมุตส่วนกรุณาเป็นเรื่องของการทำเพื่อผู้อื่นต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องส่วนตัวคืออัตตะสำเร็จที่วิชาละวิมุตส่วนเรื่องที่จะทำเพื่อคนอื่น คือประะัฏฐะเป็นกิจของกรุณารับช่วงต่อไปอนหนึ่งพึงสังเกตว่าในบรรดาองค์ธรรมทั้งสามคือวิชาวิมุติและการุณานั้นวิมุติหรือวิมุติเป็นภาวะฝ่ายผลพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาวะเสร็จงานและเป็นภาวะเอื้ออำานวยแก่การทำงานต่อไป ไม่ใช่เป็นตัวการทำงานเองส่วนปัญญากับการุณาเป็นองค์ทำฝ่ายทำงานปัญญาเป็นตัวทำงานให้การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นเรื่องของตนเองสำเร็จการุณาเป็นตัวทำงานให้เรื่องของคนอื่นสำเร็จด้วยเหตุนี้ท่านจึงถือว่าปัญญากับการุณาเป็นพระคุณหลักของพระพุทธเจ้า ปัญญาเป็นแกนนำของอตัตตะหรืออัตหิตาสมบัติเกรุนาเป็นแกนนำของปรตตะหรือปรหิตาปฏิบัติในคมพีมากมายจึงนิยมย่อพุทธคุณลงเป็นข้อหลักสองอย่างคืออัตหิตาสมบัติมีปัญญาเป็นตัวทำการและประหิตาปฏิบัติมีเกรุนาเป็นตัวทำการ แต่อัตตหิตสะสมบัติและประหิตตปฏิบัติทั้งสองอย่างนั้นมีความหมายและเป็นของแท้จริงได้ก็เพราะมีวิมุตยืนยันเป็นพยานวิมุต้นเป็นเครื่องส่องแสดงถึงการเข้าถึงนิพพานแล้วเรียกว่าเป็นอาการสำแดงหรือลักษณะสำคัญด้านหนึ่งของนิพพานจัดเป็นวัยพ์ข้อหลักของนิพพาน ดังที่กล่าวแล้ววีมุตแสดงความหมายสำคัญของนิพพานซึ่งเน้นในด้านความหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีเมื่อโยงกับคุณสมบัติสำคัญสองประการที่เนื่องด้วยการถึงวีมุตหรือบรรลุนิพพานนั้นคือปัญญาและกรุณาก็เรียกบุคคลผู้บรรลุนิพพานนั้นด้วยคำไทยที่ชาวบ้านพอจะเข้าใจไม่ยากว่าเป็นอิสระเสรีชนผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา และทำการด้วยเกาุณานอกจากวีมุตที่ยืนเป็นหลักแล้วยังมีไวยพจน์แสดงลักษณะด้านต่างๆของนิพพานอีกมากมายดังยกมาให้ดูแล้วข้างต้นบรรดาไวยพจน์เหล่านั้นมีอยู่อย่างน้อยสองคำที่ใช้เป็นคำสามัญในภาษาไทยและเป็นลักษณะที่สำคัญด้วยคือวิสุท ธ, ธิและสันติ วิสุทธิคือความบริสุทธิ์หรือสะอาดหมายถึงภาวะปราศจากกิเลสที่จะทำให้สกรปรกเศร้าหมองหรือขุนมัวจึงใสและมองเห็นอะไรอะไรชัดเจนสันติคือความสงบหมายถึงภาวะที่หายวุ่นหายพลุ่งพล่านกระวนกระวายราศจากความทุรนทุรายเาร่าร้อนแห่งกิเลส หมดสิ่งที่จะกวนให้ไหวกระเพื่อมจึงเรียบซึ้งสงบเย็นทุกอย่างเข้าที่เป็นสภาวะของตัวเองสามารถเสวยผลต่างๆได้บริบูรณ์ที่สุดและมีความพร้อมมากที่สุดที่จะทำการทั้งหลายอย่างถูกต้องสมบูรณ์จากไวยพ์เหล่านี้จึงวางหัวข้อบทไว้ว่าวิชาวิมุตติสันตินิพพาน ถ้าจะแปลง่ายง่ายคงได้ความว่าสว่างอิสระสะอาดสงบหรือนิพพานใครพอใจไว้พ์อื่นใดจะเติมต่อเข้ามาอีกก็ได้เช่นว่าวิชาวีมุตเกษมวิสุทธิสันติปรมัติบรมศา์นิพพานเป็นต้นก็อยู่ในขอบเขตความหมายของนิพพานอยู่นั่นเอง